จะพูดเรื่องรู้จักตัวเองด้วยความรู้สึกตัวที่อจะมาตั้งชื่อก่อนที่จะพูดเนี่ยเพื่อบล็อกตัวเองไม่ให้พูดนอกเรื่องถ้าเกิดไม่ตั้งชื่อเดีด๋วยวจะไปเรื่องอื่นพวกโยมมาปฏิบัติธรรมมาเจรติเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อรู้จักตัวเองัแหละถ้าไม่รู้จักตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นอนุภาจะชี้โทษหลงกายไม่รู้จักตัวเองให้พวกญาติโยมฟังเวลาเจะ เ, เจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดรู้จักตัวเองนะเราก็เจอจะเจอธรรมเครื่องเศร้าหมอง16ประการหรืออุปกิเ์สิบ 1. ความโลภสองโทสะปะทุสลายาฟารความโกรธ 4. ความผูกโกรธหรือพยาบาท 5. การลบหลู่คุณท่านหรือเนระคุณอกรดัญยู 6. กตีเสมอทั้งที่เราฐานะต่ำต้อยกว่า 7. อิฉาหรือผูคนขี้ฉาแา 8. ตณีขี้เหนียว 9. มารยาหรือพิคนเล่เลี่ยม โอ้อวดหรือคุยโวเกินฐาหนะสิบอ็ดหัวดื้อหรือเป็นคนดื้อรั้นจิตใจหยาบสองแข่งดีหรือแก่งแยง่งชิงดีสิบสามานะถือตัวถือตนหยิงยโสสิบสี่ดูถูกหรือดูมีหยาดหยามคนอื่นสิบห้ามัวเมามัวเมาในรูปเสียงกินรดหรือมัวเมาในโลกธรรมสิบหก ก็คือเลินเร่อประมาทขาดสติอุปเกตสิบหกอย่างเนี่ยพวกโยมเจอแน่นอนถ้ากิเลสตัวไหนเด่นนะมันก็จะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานกลายเป็นชะตากรรมเลยกาหนดชีวิตเราเลยอย่างข้อแรกเนี่ยความโลภเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆติดวิสัยเนี่ยเราก็อยากได้นู่นได้นี่แล้วก็ไปบางทีไอส า, าพีกฎหมายก็ได้ไปรวยทางรัดอะไรเงี้ยแอ้ติดคุกิจรางก็ได้เป็นที่ทากรรม ได้มากมายถ้าเป็นข้อที่สองขึ้นมาถึงข้อที่สี่เนี่ยถ้าใครติดมินิสัยเนี่ยก็อยาฆ่าคนตายตีรันฟันแทงติดคุกติดตารางไปทำร้ายผู้อื่นหรือโดนผู้อื่นทําร้ายได้เลยแล้วมาข้ออื่นๆเนี่ยปีกย่อยเนี่ยอย่างช้าเนี่ยถ้าเกิดเราตกที่ฉาเราก็ไม่อยู่ความสุขหรอกเห็นผู้ื่นได้ดีกว่าไม่ได้อย่างข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือประมาทเนี่ยซึ่งเป็นข้อที่ไม่มีสติคนเราก็ไปกินเหล้าเมายาไปทำอะไรที่ขาดสติ อุปกรณิบหกเนี่ยถ้าธนาจะพูดเป็นเรื่องไปราวนะมันก็จะไม่เข้าประเด็นที่จะพูดวันนี้ไงต้องไว้พูดโอกาสหน้าที่อธิบายแต่เชียญโยมเห็นโทษสองกายไม่รู้จักตัวเองมันมีโทษมากมายเลยนะการไม่รู้จักตัวเองอะ่ะเล่าเล่าทิถาโยมฟังดีกว่าเดี๋ยวโยมฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันชายคนแรกเป็นคนที่ขี้ฉา ชายคนที่สองเป็นคนโลภทั้งสองเนี่ยคบกันแบบไม่จริงใจนะเป็นเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนแท้เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยวันหนึ่งคนขี้ฉาคนโลภเนี่ยก็ไปหาเทพเจ้าเทพเจ้าซุตหรือซีอูตเนี่ยพอดิธาเรื่องนี้เป็นที่ถ่ายอีสพใายไปถึงเจอเทพเจ้าซีอุตเพื่อขอพอรเทพเจ้าซีอุตก็รู้แล้วว่าสองคนนี้มีนิสัยยังไงจึง ต้องการจะดัดนิสัยฐานาสองคนนี้หลังจากชายสองคนนี้ขอพรนะเทพเจ้าสีอุฒิก็ให้พรแต่ให้ข้อเดียวคือขอได้ครั้งเดียวนะแล้วคนที่ไม่ขอเนี่ยจะได้จะได้สิ่งที่คนแรกขอเนี่ยเพิ่มเป็นสองเท่าสองคนนี้เกี่ยงกันนะไม่ยอมขอชายคนนี้โลภก็ก็หวังว่าจะได้สองเท่าไงก็ยพยายามใครยังนัยอให้คนอิจฉาขอก่อนสเสดชายที่ขี้ฉาเนี่ยถ้าขอก่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ได้มากกว่าี้สองเท่าคิดหนักเลยถูกกดดัน จนที่สุดก็ขอจะได้ขอแบบไม่ให้ให้สวยได้เปรียบไม่ให้เสียเปรียบขอเทพเจ้าซีอุดให้ตัวเองตาบอดข้างนึงผลปรากฏว่าคนโลภแล้วตาบอดสองข้างเลยอันเนี้ยฟามโลภ ก, กับฟวามอิจฉาเนี่ยก็พายชี้พายทั้งคู่นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอิศวรเป็นเรื่องธรมธรมบาธรรมราอัลพะยกมาให้พวกโยมเนี่ยได้ยินเป็นแง่คิดบางครัง้งไม่ผลร้ายทั้งที่มีโอกาสดีอฟังเรื่องเล่าเรื่องต่อไป มีวัดล้างแห่งหนึ่งวัดนี้ในอดีตเคยลุ่งเรืองมีญาติโยมเข้าวัดบ้าบายเจ้าวาดเนี่ยก็เป็นนักเทศชื่อเสียงดังระดับประเทศแต่ตอนเนี้เจ้าวาดละถังขายไปหลายสิบปีแล้ววัดที่เคยใหญ่เคยจะลุ่งเรืองเนี่ยตอนนี้ก็ล้างมีหญ้าปกคลุมเต็มไปหมดและที่นั้นก็มีพระสามรูปบังเอิญมาพบกันแบบไม่ได้นัดหมาย พระสามรูปนี้ก็เดินชมวัดเห็นที่สาราหน้าเนี่ยก็มียกักษ์เยากยากใหญ่อยู่เต็มไปหมดมีแต่รอ ย, ออยร่องรอยซากหักพังฝุ่นหนาสิ่งของชำรุดซุดโสมผ่านไปตามกาลเวลาเพราะมีขนอยู่นานหญ้าบางที่ก็ขึ้นถึงเอวบางที่ขึ้นถึงหัวน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มีเดินไปที่โรงครัวก็เป็นซากแห่งความหลัง ในอดีตโรงครัวเคยเลี้ยงญาติโยมได้ถึงสองร้อยสามร้อยคนก็สุดโสมเหลือแต่หม้ อ, อกละมังเก่าๆหรือจานช้อนะอะไรต่างๆเหลือสร้างให้ดูซึงดูแล้วก็น่าสังเวชใจและในที่สุดไม่รู้ใครเป็นคนเอ่ยขึ้นมาจากพระสามรูปเนี่ยอะไรหนอเป็นเหตุให้วัดล้างพระสามท่านก็แสดงความเห็นพระรูปแรกก็เอ่ยขึ้นว่าคเป็นพระ ในวัดไม่ศรัท ธ, ธาไม่ไหวพระสวดมนต์เทวดาจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์พระรูปที่สองก็อว่าพระในวัดคกขี้เกียจบ้างทรัพย์สินของวัดจึงไม่เพิ่มรูปที่สามเอ่ยขึ้นว่าพระในวดนัดนคงขาดความสำรวมญาติโยมจึงเสือส่อมศรัทธาทั้งสามก็ต่างเสียงกันว่าความเห็นตัวเองถูกต้องจนในสุดก็ตกลงจะช่วยกันพัฒนาวัดนี้ให้กลับมาเจอรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสาวลูกก็ช่วยกับบรูนาและตัดยงตัด ญ, ญา้าซ่อมแซมเต็นท์นาคต่างๆให้กลับมาสู่ให้ใช้งานได้พระรูปแรกเนี่ยถนัดเลื่อกสวดมนต์ก็สวดมนต์ขอพรจากเทวดาสวดมนต์แผ่เมตตายาเวเยยนเลยเพื่อให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือส่วนพระรูปที่สองเป็นพระช่างมีความรู้เรื่องช่างต่างๆ แม้จะเป็นช่างไม้ช่างไฟช่างอปาปาก็เลยพยายามทําให้วัดเนี่ยกลับคืนเหมือนเดิมให้สวยงามใช้งานได้ส่วนพระรูปที่สามเป็นพระนักเทศพระนักเทศก็ชักชวนโยมเข้าวัดมาฟังธรรมให้ถือศีลชักชวนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไปเรียกอะไรเงินมาเข้าวัดทั้งสาก็ช่วยกันแบบขบขัขับเบนเน่ยจนในที่สุด พอเป็นเจริญลุกเรือกลับมาสู่วัดล้างอีกครั้งหนึ่งญาติโยมค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาทำให้วัดได้กลับคือสุภาพปกติอันนี้ก็แฮปปี้ทั้งญาติโยมทั้งพระนะการเวลาผ่านไปคงมาณสักครึ่งปีอ่ะก็มีเสียงดังขึ้นว่าเพราะฉันนี่แหละวัดถึงได้เป็นแบบนี้เพราะฉันต่างหากเพราะฉันต่างหากทั้งสามรูปเนี่ยต่างอ้างผลงานตัวเองว่าเพราะตัวเองเป็นเหตุ ไำใวัดจะลุกเหลืองต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็เถียงกันต่อหน้าโยมอยู่ประจําจนในสุดโยมก็เบื่อเอือมละอาภาษารูปนี้ก็ค่อยๆอออกจากวัดไปไม่เาวัดละพอโยมก็เสงเห็นพระในวัดทะเลาะกันเรื่อยเรื่ความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันจนในสุดวัดก็เริ่มล้างเหมือนเดิมแล้วในสุดพระสามรูปนี้ก็ลองจากไปจต ก, ก่อนจากไปก็รู้คําตอบแล้วอะไรไมีเหววัดล้าง คือความไม่สบานฉันหรือแตกสา ม, มัคคีกันและกิเลส ท, ที่เด่นก็คือการแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอิจฉาซึ่งกันและกันถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราก็ไม่อิจฉาเราก็แบ่งความดีให้กับเพื่อนที่ทําเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจไงแต่ถ้าคนอิจฉาก็จะพยายามเอาความดีไปเข้าตัวเองแหละให้ตัวเองดูเด่นให้คนยอมรับผลงานตัวเองซึ่งสี่เหล่านี้ย เกิดขึ้นกับวัดใดวัดนั้นก็เตรียมตัวล้างตเตรียมตัวเจงได้เลยต่างกับวัดที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังจริงใจไม่แก่งแย่งไม่หวังผลประโยชน์เสียละอันนี้มีกี่หลายตัวนะที่ที่เป็นเหตุให้วัดล้างอัตตมาฯมาก็จะพูดเรื่องหลวงพ่อเขียนละเพราะว่าเวลาก็เหลือน้อยลงวันนี้ก็เป็นวันครบรอบปีที่หลวงพ่อคําเขียนละสังขารในวัดเนี้ย อัตมาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนโตของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเป็นอุปชาแล้วก็มีการร่วมงานกับหลวงพ่อหลายครั้งก่อนที่หลวงพ่อจะรัชสังขารเนี่ยหลวงพ่อเป็นอุปชาอัตมาก็เป็นกรรบ้าจานนะก็มีหน้าที่บวชนาคเป็นชุดสุดท้ายของหลวงพ่อแหละก็มีการร่วมงานกันแต่หลวงพ่อกขาดูอัตมาบ่อยนะสมัยก็เมื่อก่อนหลวงพ่อที่มีหลายเวอร์ชั่นเวอร์ชันที่ชมมีคาที่หลวงพ่อชอบก็จะชมอยู่แล้วแหละไอ้คนไหนดูหลวงพ่อก็จะดูเจอหน้าก็ดุล้ว แต่หลวงพ่อดุเพื่อให้เราได้ดีนะให้เราเนี่ยอย่าตัวมาทมาํางานชอบวางแผนล่วงหน้าการวางแผนเป็นระดับระดับเลยแต่เจอหลวงพ่อทําลายแผนหมดเลยบางครั้งโยมหิ้วกระเป๋ามาเนี่ยหลวงพ่อพาบวชดด๋ยู่แล้วเลยนะหรือโยมเข้าบวชเนี่ยหลวงพ่อให้ตั้งชื่อบวชดด๋ยวนั้นเลยก็มีเมื่อก่อนบางีกะทันหันมากเลยเราได้เปลี่ยนแผนทันทีทันหรือการเดินทางไปที่ต่างๆเนี่ยบางครั้งคาดคะเนกับหลวงพ่อไม่ได้เลยเพราะหลวงพ่อไม่ให้เราวางแผนล่วงหน้า ให้ทําเฉพาะหน้าและสิ่งที่หลวงพ่อเขียสอนบ่อยก็คือไม่ให้ดวนรับไม่ให้ด่วนไปเสดไม่ให้เอาผิดเอาถูกซึ่งเรล่านี้เป็นสี่หลวงพ่อสอนบ่อยและธรรมะหลวงพ่อที่อ่านมาประทับใจนะแล้วนํามาเล่าให้โยมฟังบ่อยๆอะ่ะก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยตอนเป็นพระใหม่หลวงพ่ออยู่หลวงวัดเทียนที่จังหวัดเลยตอนนั้นมัาไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อบรรลุธรรมยังคือเป็นพระใหม่หลวงพ่อไปอยู่ที่ไกลหมูอ่อ่ะ สแสดงนั้นหลวงพ่อเทียนแน่ยากจนนะที่วัดเพราะว่าฟังจากหลวงพ่อเล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยกุฏิก็ไม่มีฝาขาดอะไรหลายอย่างคือไม่อยากเรียกว่าเป็นกุฏิอ่ะเป็นที่พักชั่วคราวอะไรทํานองเนี้ยหลวงพ่อไปอยู่ไกลเพื่อฝึกตัวเองแล้วก็มีมีคนตายตายนี่ก็เป็นผู้ร้ายหลวงพ่อก็ไปดูคนตายพวกชาวบ้านก็นำโลงเนี่ย เป็นไม้ตะแบกอย่างดีเลยเอามาใส่ศพที่ตัวข่าตายหลวงพ่อเห็นเข้าจึงเอ่ยปากขอขอหีบศพเนี่ยเพื่อจะเอาไม้เนี่ยมาปูนอนชาวบ้านก็ยอมตอนฝังดินก็เอาศพลงดินไปแล้วก็แกะหีบศพให้หลวงพ่อตอ น, น, น, นลแล้วศพเน่าเละแล้วเป็นมากหลวงพ่อได้เห็นภาพศพจนติดตาเลยนะโดยลําแปรงลวดเนี่ยมาขัดมาถูมาตากแดดเป็นเดือนๆือนเลยนะ หลังจากมั่นใจว่าสะอาดและใช้งานได้หลวงพ่อเอามานอนคืนนั้นก็รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยอาจจะชื้นหลวงพ่อก็ได้กลิ่นศพเนี่ยเหม็นลอยเข้ามาคือเหม็นมากขนาดเคิมหลับเนี่ยศพก็กิ้งมาหาหลวงพ่อแหละกลิ้งมาทับเลยแลหละหลวงพ่อนี่สมัยหนุ่มๆเคยเป็นหมอธรรมคือเป็นคนเล่นคาถาคมอะของหมู่บ้านหลวงพ่อก็เลย ใช้คาถาเนี่ยไล่ผีศพว่า ก, กิ้งกับคืนไปพนหลวงพ่ออยู่ส่วนบนศพว่า ก, กิ้งมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละครั้งแล้วครั้งเล่าจนหลวงพ่อเหนื่อยตื่นขึ้นมาเอ๊ะเราไปพักกับมาะานยังไงเนี่ยกลัวผีแล้วก็มาเคลื่อนมือสร้างรูปตัวพนก็ปรากฏว่าความกลัวหลวงพ่อหายไปได้วันนั้นเลยอันนี้ความกลัวไปเห่เราหายกลัวพวกโยมเชื่อไหมว่าจิตเนี่ยมันสามารถ สร้างรูปเสียงกลิ่นลสได้ทุกอย่างเลยถ้าเราไม่รู้จักจิตตัวเองเนี่ยเราจะโดนบันหลอกอย่างตัวมาเนี่ยเคยเก็บอารมณ์ช่วงบวนใหม่เนี่ยเป็นคนจริงจังมากกับเรื่องเรื่องฝึกตัวเองเนี่ยเก็บอารมณ์ทีเงเกือบเดือนไม่พูดอะไรกับใครงดทำวัดงดบิสาบาดนะพอทำไปได้สิบกว่าวันเนี่ยก็เกิด อ, อะไรแปลกๆมากมายเลยไม่่จะเป็นเสียงร้อนหรือกลิ่น หอมบ้างเหม็นบ้างเสียงหลอนเนี่ยก้องอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยฝนตกก็เป็นเสียงเสียงพัดลมก็เป็นเสียงอามารู้แล้วว่าเพราะอะไรตอ น, น, นเราไม่รู้ไงเราเป็นผ้าใหม่อาการของจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้านักปฏิบัติไม่พร้อมนะที่จะรับมือนะอาจจะเสียคนเลยก็ได้เมื่อตอนนั้นอาลามาปฏิบัติไม่เป็นเราก็เพลงด้วยจ้องด้วยทั้งเพลงทั้งจ้อง ทั้งยกมือทั้งทั้งฝึกประสมเนี่ยทั้งอานาทั้งอะไรหลายอย่างทั้งพุทโธแต่ด้วยความวิถีทาความเพียรมากเนี่ยทางความเพียรทั้งวันเนี่ยโดยจโงโกรมยกมือทั้งวันกลางคืนเนี่ยตอนนอนอันมาอาจจะอินซีอ่อนก็ได้ถ้าบางคนถ้าอินซีแข็งมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาตอนขณะปฏิบัติแล้วอันมาอินซีอ่อนมันก็เลยมาโผล่ตอนนอนเนี่ยสิ่งที่เราเคยทําไว้ในอดีตเมื่อจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะขึ้นเราหมดเลย ที่เราสะสมไว้กิเลสต่างๆกรรมต่างๆควา ม, า ม, ามคิชินต่างๆเนี่ยจะขึ้นมาโชว์ตัวให้เราเห็นแล้วก็แรงรุนแรงด้วยกอดที่รุนแรงโลบที่นรุนแรงติดอะไรที่รุนแรงที่เรายึดอะไรไว้อะ่ะแต่ถ้าโยมไม่ฝึกแล้วไม่อยากรู้อยากตัวเองนะมันจะออกมาตอนตายซึ่งโยมจะควบคุมไม่ได้เลยฟวามแรงของจิตใต้สำนึกเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยะก่อนจะตายเนี่ย จะรุนแรงมากเพราะมันมีอารมณ์มาผสมด้วยสามารถทําให้เราเกิดในทุกติหรือไปอาบายภูมิได้เลยหรือเกิดไอ้ภพภูมิต่างๆแต่ถ้าเราดูตัวบ่อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะขึ้นมาโชว์ตัวความแรงมันก็ลดลงลดลงเหมือนเร า, าขยะออกถ้าเราเปรียบจิตของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับน้ําเหมือนกับตะกนอนในโอ่งน้ำในโอ่งข้างบนเนี่ยจะใสข้างล่างมีตะกอนเต็มไปหมดเลยพอเราเติมสติความตัวลงไปเนี่ย มันจะค่อยๆกวนตะกอนแรกๆก็ฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรืมากมายซึ่งถ้าโยมปฏิบัติใหม่อย่าเพิ่งทออย่าเพิ่งต้องสู้ต่อไปนะเพราะว่าจะฟุ้งผิดปกติเลยมันเหมือนเราไปกวนความคิดไงความคิดทํางานไม่ถนัดไม่ปฏิปต่อพอไปกวนมันมันก็ค่อยออกมาโชว์ตัวแหละเติมฝาสึกตัวลงไปเติมฝาสุดลงไปเนี่ย มันเหมือนน้าดีไปแล้วน้ำเสียโดยเราไต้องทำอะไรหรอกมันก็ค่อยๆตะกอนออกมาออกมาน้ำไม่ค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นอันนี้คืออดุดภาพความรู้สึกตัวแล้วอุปเกรตสิบหกที่ทามาเล่าเนี่ยให้ฟังเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาและเจ้าเอกกับเราเนี่ยอุปภาพมันก็ลดลงอย่างความโกรธเนี่ยโผล่ขึ้นมาเราเห็นหนึ่งครั้งความแรงก็ลดลงแต่ถ้าเราไม่มีสติความโกรธโผล่หนึ่งครั้ง เราก็ไเพิ่มตัวโกรธแทนมีอํานาจมากขึ้นความโลภเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจ้าเอกมันเนี่ยมันก็ลดอํานาจเหมือนกันทุกสิ่งอย่างกิเลสทุกตัวเนี่ยถ้าเราเจอมันเห็นมันเนี่ยอํานาจมันจะลดลงแต่ถ้าเราไม่มีสติกํากับมันจะไปใหญ่โตมีอํานาจมากขึ้นฉาคือฉามากขึ้นหรือหลงหลงตัวเองเลิเร่มัวเมาต่างๆเนี่ยเกิดจาก ความไม่รู้สึกตัวงั้นเลยเกิดจากความหลงธรรมะจริงๆแล้วก็มีแค่รู้กับหลงนั่นแหละถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราก็หลงถ้าเรารู้สึกตัวมันก็รู้ก็อีหัวใจ เ, เรานั่งได้แค่ตัวรู้กับตัวหลงเนี่ยถ้าโยมไม่รู้จักตัวเองตัวหลงก็มาครอบครองจิตใจเรายึดพื้นที่ของจิตของใจหมดเลยทีนี้นมันก็บงการเราแล้วบงการชีวิตเลยอย่างมีสุภาษิตเขาว่า ให้ระวังความคิดเพราะความคิดเนี aware, ่ยมันจะเกิดเป็นวาจาให้ระวังวาจาเพราะวาจาเนี่ยมันจะเป็นการกระทํำให้ระวังการกระทํำเพราะการกระทํำเนี่ยมันจะเป็นสันดานให้ระวังสันดานเพราะถ้าติดเป็นสันดานแล้วมันจะเป็นวัฒนาหรือกําหนดชะตากรรมชีวิตเราเลยเป็นอุบดิสัยอันนี้แก้ยากล่ว อันนี้สายของเราคนเราอยู่ต่างกันเพราะเราไปให้ความดีก็กินเหรียตัวไหนถ้ากินเหรียตัวไหนเด่นเราก็จะเป็นคนอย่างงั้นแหละบางคนได้เด่นทุกตัวเลยนะถ้าคนไม่ฝึกเนี่ยครบสิหกตัวแล้วที่สลาพูดอ่ะแต่ถ้าคนที่ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างหรือมีปัญญาก็มีบางตัวแต่บางตัวไม่เด่นอาจจะมีทุกตัวแต่ไม่เด่นไม่แรงหรือบางคนอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีไปเด่นเอาบางตัวตัวเองไม่เห็นหรือรู้เท่าไม่ทัน สิ่ที่จะมาพูดเนี่ยบางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่รู้เรื่องเลยนะเกิดมาจะตายก็ไม่รู้ไม่เห็นความคิดตัวเองรู้จักตนเองความรู้สึกตัวมีอยากรู้ผ้ามากกว่าที่โยมคิดไปเยอะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนชะากรรมถทำให้เราเนี่ยเคยหลงก็หายหลงบางคนเชื่อตัวเองมีความรู้มากฉลาดคือทางโลกเนี่ยเป็นการเอาเข้านะเป็นการเอาเข้าแต่ทางธรรมเป็นการเอาออกเอาเอาความหลงเอาความสิ่งที่ไม่ดีออก ค่อยละเหมือนรื้อบ้านทิ้งแต่ทางโลกได้ต่อเรือนสร้างบ้านเพิ่มเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิน้นนั้นทางก็กทางธรรมจึต่างกันมากเลยถ้าเรามีความมั่นคงทางธรรมเนี่ยเราจะมีอิจฉาผู้คนรวยเลยเมื่อ ก, ก่อนอับมาสอิจฉาคนรวยนะโอ้โหพวกนี้เรารียากจนเหลือเกินมีชีวิตลําบากอะไรแงเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าสงสารคนรวยใช่ยหมครับเพราะว่าคนรวยก็ทุกข์กับคนรวยแต่เราเนี่ยถ้าเราเริ่มมีสติมีความสุขตัวเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเพื่อนของเราและเป็นเป็นเพื่อนแท้ด้วยนะเป็นมิตรแท้ช่วยเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยขณะมีชีวิตอยู่ทํำให้เราพูดอะไรเราก็ระวางังจะกระทบกัะเทือนน้ําใจคนอยู่นไหมหนอะถ้าเราพลาดไปเรารีบขอโทษขอเข้ามาทันทีเลยเพื่อไม่ให้ติดค้างต่อกันหรือบางทีกิเลสหลอกให้เราไปแข่งดีกับคนอื่นแข่งดีแข่งแย่งชิงดีเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็ไม่ไปแข่งด้วยอา้าว ฉันอยากแสดงอยากทำเออเอาที่สบายใจไม่ไปขัดขวางไม่ไปขัดแยง้งใครอยากทํำอะไรก็เอาที่สบายใจแล้วก็ทำํำถ้าจะทําได้เราต้องไม่ขัดแย้งกับใครในวัดเพราะความขัดแย้งเกิดจากความไม่รู้สึกตัวหรือเข้าไปในความคิดยอมแม่ก็ยอมยิ่งถ้าคนมีความรู้สึกตัวเท่าไหร่มันจะกลายเป็นคนธรรมดามากขึ้นแต่คนไม่รู้สึกตัวนะเป็นคนไม่ธรรมดานะ บางทีเป็นคนเจ้ายกเจ้าอย่างเดินกลางอีโก้สูงไม่ธรรมดาหรือแม่ก็ยกตนข่มท่านโอ้อวดอะไรขึ้นนะ่ะขี้โม้อะไรพวเนี่ยพอรู้สึกตัวมันทบไม่ได้นะบทีมันก็มันก็มันจะเกิดหีโอตปะปในใจธรรมะต่างๆมันก็ไหลเข้ามาคือมีที่พึ่งอ่ะนั้นพวกโยมมาฟังมาพูดวันนี้แล้ว ถอยไม่ได้แล้วดันเข้าบอกฟังเองถ้าโยมถอยโยก็จะเจออุเบกสิบหกหรือไม่ก็เจอความคิดที่ติดแต่ก็ติดอารมณ์ว่แล้วกันถ้าคนมีสติมีรู้สึกตัวคิดแล้วก็ผ่านไม่ติดอารมณ์โยก็จะโดนลงโทษจากความคิดปรุงแต่งคือคิดแล้วติดไงแล้วก็มีโทษอื่นตามมาเพียบเลยแต่ถ้ารู้สึกตัวก็ค่อยหลุดไปค่อยหลุดไ ป, ดไปรู้ว่าตัดรู้ว่าตัดพอรู้ตัวจะตัดฟัง ค, คิดทํางานไม่ถนัดหรอกมันจะตัดตลอด จะบางทีคิดไปเผลอไปเจะรู้แบบออโต้อัตโนมัติก็มีเจ็บซ้าเขยเจบฝาเดินรู้ตัวในเล่ารู้แบบนะแต่ใหม่ใหม่เราทําในรูปแบบก่อนถ้ารู้ตัวเป็นเนี่ยอยู่กฐานกายเนี่ยฝดนในไม้ก็รู้ตัวทํางานก็รู้ตัวล้างจานก็รู้ตัวทำอะไรรู้ตัวหมดจะใส่ผ้าถ้าเป็นผ้าห่มจีวรก็รู้ตัวล้างหน้าแปรงฟันความคิดมันก็ชอาฝัรู้ตัวหรอกเพราะมันคิดไป่ถนัด ความคิดมันครอบงำใจเรามานานเร า, เรารู้เรารู้จากความคิดเหมือนเรารู้จากเจ้าเสียแล้วรู้จักตนเองช่วงหลังมันมาทําเสียงหลวงพ่อเขียนนะก็ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเขียนแบบลึกซึ้งเลยเมื่อก่อนเรามาฟังไม่เข้าใจหรอกอันมา20วันศาถึงมาเริ่มทําให้ท่านเนะ่ยเมื่อก่อนไม่คิดจะทําถ้าพวกโยมอยากฟังธรรมะหลวงพ่อเขียนชุดที่ไม่แวะข้างทางเนี่ยก็ให้ไปฟังที่เว็บอัปบรราเนี่ยไอ้วัดป่าสุกโตทำให้ที่พักใจอัปบรรณาลงยูทูบ แล้วก็แชร์ลิงก์ไว้เป็นเวอร์ชั่นหลวงพ่อเขียนที่ตัดเสียงไอออกแล้วกคัดกองอย่างดีเพมาทําเพื่อบูชาคุณหลวงพ่ อ, อเป็นเวอร์ชั่นที่สําหรับคนฝ่ายทําจริงๆเพราะไปอารมณ์รูปนามถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นหลวงพ่อชอบแวะข้างทางไงอธิบาพานหลวงพ่อขึ้นทางด่วนหรือบอเตอรเวย์ไม่แวะซ้ายไม่แวะขวาทําทให้ฟังแบบไหลลื่นเสียงดีไม่มีเสียงไอขอเชิญชวนให้ฟังได้ นี่เวลาหมดนะเนี่ยโฟอาหารมาพูดเนี่ยจริงๆพูดเลื่อยเปื่อยขึ้นกระบอกนี่เร็วมากเลยก็หวังว่าพวกญาติโยมเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่ราาับาพูดให้ฟังไม่มากก็น้อยให้สู้ต่อไปนะอย่าเพิ่งเลิกนะเพราะฟังตัวตัวต้องทำตลอดชีวิตไม่ใช่ออกคอแลนะ้วจบเลยมันกันจะเจอรถโดนลงโทษจากความชิดและอุปกนเกลีสิบให้จําไว้เลยต้องตลอดชีวิตก็สุดท้ายนี่ขอห้ญาติโยมเนี่ยมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง